พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิบสุทันตะปิฎกอังคุตระนิกายเอกะทุกกะติกะนิบาทขยายความเอกานิบาทจุมหนุ่มธรรมะที่มีหนึ่งข้อในการขยายความแห่งพระไตรปิฎกเล่ม2ี่สิบนี้เนื่องด้วยไม่สามารถจะกล่าวโดยพิสดารทุกเนื้อถ้อยกระทงความจึงจะใช้วิธีพิจารณาดูว่า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 ที่รื่งรัตจิตของบุรุษได้อย่างไม่มีเสียงกลิ่นรสผวดรพะอื่นเสมอเหมือนโดยทำนองเดียวกันทรงแสดงรูปเสียงเป็นต้นของบุรุษว่ารึงรัตจิตของหญิงได้ยังไม่มีรูปเสียงอื่นเป็นต้นเสมอกันทรงแสดงว่าไม่ทรงเห็นธรรมมะอื่นแม้ข้อหนึ่ง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 แล้วส่งแสดงจิตอีกเก้าลักษณะคือธรรมะที่อบรมแล้วย่อมใช้งานได้ไม่อบรมแล้วเป็นไปเพื่ออนัต t h คือความพินาศอบรมแล้วเป็นไปเพื่ออัฏฐ a คือประโยชน์ไม่อบรมไม่ปรากฏแล้วเป็นไปเพื่ออนัต t h ใหญ่อบรมแล้วปรากฏแล้วเป็นไปเพื่ออัฏฐ a ใหญ่ไม่อบรมแล้ว ไม่ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่ออนัถะใหญ่อบรมแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่ออัฏถะใหญ่ไม่อบรมแล้วไม่ทำให้มากแล้วนำทุกมาให้อบรมแล้วทำให้มากแล้วนำความสุขมาให้ธัมมะแต่ละข้อนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนจิต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 เป็นไปเพื่อความพินาศหรืออนัตถะใหญ่ถ้าตรงกันข้ามคือคุ้มครองแล้วเป็นต้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์หรืออัตถะใหญ่หมายเหตุผู้อา่านอัตถะในที่นี้สะกดด้วยอออ่างไม่หันอากาศต่อเต่าถอถุงสร ะ, ะนะครับจะต่างกับคําว่าอัตถะที่แปลว่าความหมายที่สะกดด้วยอออ่างรอหันถอถุง ทรงแสดงเรื่องจิตต่อไปอีกเปรียบเหมือนเข้าเปลือกแห่งข้าวสาลีหรือข้าวเหนียวถ้าตั้งไว้ผิดก็ตำมือต่ำเท้าหรือทำให้เลือดออกไม่ได้ต่อเมื่อตั้งไว้ถูกจึงตามือต่ำเท้าหรือทำให้เลือดออกได้จิตก็ฉันนั้นถ้าตั้งไว้ผิดก็ทำลายอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่ได้ทาวิชาความรู้ให้เกิดขึ้นไม่ได้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 มีใจเป็นหัวหน้าใจเกิดขึ้นก่อนอากุศลและกุศลจึงตามมาแล้วส่งแสดงความประมาทความเกียจคร้านว่าทำให้อากุศลละธรรมเกิดขึ้นกุศลละธรรมเสื่อมไปและความไม่ประมาททำให้กุศลละธรรมเกิดขึ้นอกุศลละธรรมเสื่อมไป